สวดมนต์เสร็จก็ฟังฟังประกอบนิดนึงนะเราก็สวดมนต์ทุกวันนะมันก็ดีดีเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์อยู่เสมอแต่ก่อนผมเวลาตอนทดงรงนะแต่แรกก็ไม่อยากสวดมนต์รู้สึกว่าอยู่ที่วัดก็สวดทุกวันอยู่แล้วนะ ทงวัดเช้าทงวัดเย็นนะเวลาไปทุดมไปเที่ออยวที่อื่นก็เหมือนเราก็ไปปฏิบัติอย่างเดียวก็พอมัม่งเลยประมานก็คิดว่าอย่างนั้นตอนแรกก็ทำแบบนั้นแต่ก็เจอในระหว่างทางก็เจอพระทุ ด, ดมบางลูกท่านก็ท่านก็แนะนำว่าออให้สวดมนต์ทุกวันหนะ้าประมาณนะ้นเหมือน เราก็ลองทำตามดูที่จริงพอทำตามมันก็ก็เห็นข้อดีดีกว่านะนอันนี้สหรับตัวเองอาจจะไม่ใช่สาหรับทุกคนก็ได้ถ้าตอนเราเดินทางทุดรมแบบเรามีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวนะบางครั้งบางครั้งบางทีก็เหนื่อยนะบางทีก็บางทีก็เบื่อไนงะ บางทีก็ทำให้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าแบบเราตั้งใจว่าจะสวดมนต์นะบางทีแม้เหนื่อยขนาดไหนเราก็ุูขึ้นมาสวด ม, วมนต์ลยนะมันก็ทำให้ยังน้อยก็ได้ในความขยันความเพียรได้สมาธิเพราะจิตก็ต้องมีความตั้งใจเนาะ ถ้าเราสวดมวนต์คนเดียวเนี่ยยิ่งต้องตั้งใจมากขึ้นอย่างเราสวดค่องๆนะบางทีสวดแบบนะีสวดกับเพื่อนนะอาจจะไม่ต้องตั้งใจมากนะบางบดเราลืมนะเพื่อนเพื่อนสวดได้นะเราก็สวดตามไปแต่ลองดูนะแบบถ้าเราแบบต้องสวดคนเดียวเนี่ยมันต้องตั้งใจมากเลยไม่แต่ผมเองนะบางที ให้สวดคนเดียวบางทีก็ยังลืมนะบทะทํำก็เช้าทุกประเจ็ดเนี่ยนนะมันก็ตะลกดีนะที่เราเคยสวดได้ข้องไม่ต้องดูแต่ถ้าเราต้องสวดคนเดียวเนี่ยบางทีบางบทมันก็ลืมมันจะเข้าใจที่ว่าสัญญาไม่เทีย่ยงบางทีมันก็ไม่มาเออมันเคยมาบางครั้งมันสะดุดมันไม่มาอมันได้ดึกไม่ได้เลย หรือบางทีมันไม่เที่ยงแบบมันเพี้ยนไปเลยนะตรวจบทนี้นะ่ะก็โดดไปบทนั้นเออมันไม่เที่ยง <c oughs> นะแต่เราก็พยายามนะ่จะจําไว้ก็ดีนะโดยเฉพาะอย่างพระใหม่หรือว่าบางคนได้ปริญาสองริญาแล้วนะบางทีตอนเราอยู่ที่วัดนะครับเรากพยายามจะไปดูหนังสือเลย พยายามอย่าไปดูหนังสืออ่านหนังสือการหนังสือสวดตามหนังสือสวดแบบพย า, ยามสวดปากเปล่าน่ะมันจะได้คล่องในใจของเราด้วยเราจะความเป็นความมั่นใจด้วยนะหรือเวลาว่างๆ น, นะบางทีบทพิเศษที่เราสวดบ่อยๆ อ, ยอะ่นะตั้งแต่เขมาเคมาจนถึง พิจารณาสำคัญนะฮะหรือบางบทที่มันสั้นๆ น, นะผมว่าควรจะท่องให้ได้ไม่ต้องเปิดดูหนังสือละถ้าบทมาเป็นเดือนสองเดือนขึ้นไปเนี่ยแบบพรรษาบทสั้นๆเนี่ยไม่ต้องดูละผมก็ใส่ไว้างว่างๆก็ท่องนะท่องท่องนิดนึงท่องไม่กี่วันหล่ะแล้วเราก็ปิดหนังสือ แล้วพอเราสวดตามเนี่ยมันมันก็จะคล้องไปด้วยตัวของมันเองนีมันก็ดีนะเวลาอย่างเช่นเรามาเดินทุดดง เ, เราได้แชร์เดอเบทนี้ถ้าเราเคยซอ้อมเคยท่องมานะพอมาทุดดงไม่มีนังเตือผ่าน <c oughs> ไม่มีนังตือดูเนี่ย เ, ออเราก็จะเราก็จะสวดได้ด้วยตัวของเราเองนะคือการสวดได้มันก็เป็นแค่ อั น, นิี้สมอย่างหนึ่งนะแต่การที่เราจําพุทธพจน์นะพุทธภาษิตของพระเจ้าได้มันก็มันก็ทําให้เราระลึกถึงขึ้นมาก็เตือนสติเรานะได้อา น, นิสงส์ขึ้นเลยอ้อสิ่งพระเจ้าท่านสอนไว้แบบนี้บางขณะที่เราเราเกิดสภาวะบางอย่างขึ้นมานะมันระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ย มันก็สกนะกิะให้เราได้ได้เตือนตัวเราเองอยู่เสมอนะอย่างเช่นอย่างบทบรรพชิตคนพิจารณาเนืองๆแบบนี้มันก็เตือนความเป็นบนรรพชิตของเราได้ไ ด, ได้ดีนะอืมในทุกๆข้อนะแบบเนีน้คือถ้าเราระรึกได้ไบ่อยๆนะมันก็จะเป็นตัวเตือนของเราด้วยนั้นพระสงฆ์เราเองก็ บ่แม่ชีมันก็เรื่องสวดมนต์ทำวัดอะไรน่ก็ควรให้เป็นกิจวัตรนะแล้วก็พยายามจำให้มันได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้น่ะบางทีเราบอกไม่มีเวลาหรอมีอยู่แล้วแหละเนี่ยอย่างน้อยนะการสวดมนต์ก็ได้สมาธิครับได้สมาธิแต่ถ้าเรา เข้าใจดักเพิ่มขึ้นนะสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเราเห็นร่างกายเขาสวดมนต์นะเสียงที่สวดมนต์เนี่ยมันก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจิตที่รู้นะรู้ในเสียงที่เป่งออกไปนะได้ยินก็ดีเป่งออกไปก็ดีนะเห็นมันเป็นรูปนะเห็นเป็นรูปที่กำลังสวดมนต์ เห็นเป็นเสียงที่กําลังเป็นออกไปก็เป็นรูปเพียมนึงเหมือนกันและลึกรู้แบบนี้ก็ได้นะมีจิตที่เป็นผู้รู้นะะเห็นร่างกายเขาสวดมนไปบางทีจิตใจเราจดจ่อมากเกินไปนะมันก็คือเป็นธรมาธ่ที่ดิ่งเกินไปอย่าสังเกตดูก็ได้นะบางทีถ้าเราดิ่งสมาธิมากเกินไปเราจะอยู่แต่กับเสียงของเราเองนะเราจะไม่ เราจะไม่สนใจเสียงคนอื่นบางทีมันก็มีการสวรดดึงกันไปดึงกันมานาะเพราะบางทีเราเราคล้ายๆเหมือนเราเอาของเราเป็นหลักนะไม่ฟังคนอื่นเท่าที่ควรหรือไม่ปรับให้มันคล้ายๆไปด้วยกันให้มันไปด้วยกันได้ถ้าเแบบเปรียบเสมือนดนตรีเนาะเหมือนดนตรนะีแบบเล่นเล่นใครเล่นมันนะ่ะมันก็จะ ไม่ค่อยเพาะนะแต่ถ้าเราส่วนร่วมกันเหมือนดนตรีนะปรับข้อหากันปรับข้อหากันเดี๋ยวช้าบังทีมก็อาจจะไม่พอดีสาหรับเราเดียวที่เดียวแต่ถ้าเราปรับข้อหากันนีมันจะเพาะปรับเสียงสูงต่มให้มันใกล้เคียงกันลงมามอย่างเนี้ยบางคนเสียงสูงก็ปรับลงสักหน่อยบางคนเสียงต่ำก็ปรับขึ้นสักหน่อยอนะ บางคนเสียงดังก็ลดลงนิดนึงหน่อยบางคนเสียงค่อยเกินไปก็เพิ่มสักหน่อยนะมันก็จะพอดีครับสมมันอาจจะไม่เข้ากันกับแต่มันก็จะไม่โตดเกินไปอันนี้คือไม่ไเหมือนคล้ายๆเหมือนทําให้เราเห็นเห็นความรู้สึกของเราด้วยนะอ๋อบางทีถ้าเราสวดเป็นพมาที่เกินไปเราก็จะเราก็จะมุ่งกับกับเสียงของเราเป็นหลักอารมณ์ของเราเป็นหลัก แต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นแล้วก็เออฟังคนอื่นมากขึ้นดูอารมณ์ของเราด้วยแบบนี้นะมันก็จะเห็นบางทีเห็นเราไปจมกับอารมณ์เกินไปบางทีก็เห็นจิตมันเผลอแว บ, บออกไปปากก็สวดไปนะเห็นรูปเออมันก็สวดมนต์อยู่แต่ใจก็แว บ, บไปคิดได้นะปากก็สวดถูกนะแต่จิตก็คิดไปเรื่อยเปลื่อยก็ได้เหมือนกันนะมันก็ตลกเหมือนกันนะ เนี่ยก็คือเห็นะเห็นแบบมีสติเหมือนกันนะการสวดมนต์ก็เป็นการเหมือนเหมือนฝึกสติด้วยก็ได้นะจะฝึกแบบสมาธิอาศัยความตั้งใจในการท่องจำเนี่ยก็อันนี้ก็ได้นะแล้าถ้าเราเข้าใจอ้อดเนี่ยอืมมันก็จะเป็นแวบๆบแบบแบบอย่างที่ว่าปัญญาเกิดขึ้นมาอ้อสัญญามันไม่เที่ยงแบบในนอส์นะสังขารนี่ไม่เที่ยงนะ่ะบังคับไม่ได้แบบนี้นะมันก็จะเห็น มันจะแว บ, บคิดของมันเองนะ่ะบังบังคับไม่ได้นะหรือสัญญามันจะไม่มานะมันก็ไม่มานะมันก็บังคับไม่ได้นะมันไม่เทียบนะเนะี่ย <c oughs> เราก็จะมีปัญญานในน้อยในขณะที่เราสวดหมนไปอย่างเนี้ยนี่คือมันก็ได้อันนี้ส์ตรงนี้นะหรือถ้าบางคนวางรูปวางท่านนะบางทีบางช่วงเราอาจจะ มีโอกาสนะไปเดินทุ ด, ดมคนเดียวหรือเป็นหมู่น้อยๆหรือบางครั้งบางครั้งเราไปเก็บอารมณ์ก็ดีนะบางทีเราฝึกสวดมนต์ไปบ้างมันก็มันก็เป็นการเหมือนเปลี่ยนอารมณ์อย่างหนึง่งบางทีเราไปรอเปลี่ยนอารมณ์ตอนมันเบื่อเบื่อเฟ็งเฟงเลยบางทีมันก็ มันก็มันก็ได้เหมือนกันนะแต่บ า, <c oughs> บางทีเราอาศัยการสวดนมนต์เป็นการเปลี่ยนอารมณ์บ้างก็ได้เนี่ย <c oughs> มันเหมือนวันทีเราก็ซ้อมสวดมนต์บทพิเศษบทที่มันยากยา ก, ยากที่เราสวดไม่ได้แบ น, นี้ก็ได้อย่างผมเองตอนเดินทุ่นนงคนเดียวก็เออซ้อมธรรมจกนะักอย่านียสวดคนเดียวธรรมจกักมงคลจั ก, กรวาลใหญ่อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อะไรนะแบบ ทั้งๆ ท, ที่วัดเราก็ไม่ค่อยได้สวดนะแต่ก็มีหนังสือมนต์พิธีก็เอามาซ้อมสวดนะอาจจะสวดไม่คล่องนะไม่ได้ทำนองเท่าไหร่แต่อย่างไรเราก็จำจาคำได้นะถ้าเราไปซ้อมเรื่อยๆมันก็จะคล่องขึ้นเลยนยะหรือบางรูปท่านสวดปฏิโมกได้นะี่ก็ดีนะคือมันเหมือนเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวแล้วฝึกวินัยของเราไปในตัวด้วย เนมันมันได้อันนี้สมเยอะเหมือนกันเนะี่ยเราพยายามฝึกตอนนี้นะมันเหมือนเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่นะแล้วถ้าเรามีเครื่องอยู่แบบเนี้ยบ่อยๆมันก็ค่อยๆมากขึ้นอย่างพระเราเนาะบางทีได้ประษาหนึ่งสองภาษาแล้วหนี่งก็ต้องบทเจตตำนานเนี่ยต้องได้นะ <c ười> ไปออกงานนี่จะไปอม ปากไวที่เฉยเนี่ยไอยกับบ้านครับต้องพอคอได้นะแม่นำไม่ได้แต่ก็ต้องพอคอได้นนะี้นะมันมันจะไม่อายเขาอย่างผมเองตอนแรกๆ ก, ก็ขี้เกียจท่องนะไม่รู้เราจะบวชต่อเราจะศึกดีอย่ น, นะแต่พอตั้งใจแล้วเออจะเข้าพรรษานะเออคนนี้เริ่มเอาละเริ่มท่องนะท่อง ท่องเป็นสมาธิไปด้วยนะแล้วก็เหมือนก็ทําให้เราไม่เครืองเขินเวลาเราไปการงานที่อื่นเราก็พอเราก็พอสวดได้อาจจะสวดไม่เก่งไม่ชํานาญเหมือนวัดบ้านที่เขาสวดประจํำนะแต่ก็พอไปได้นะ่ะก็พระเราเองก็ถ้าได้ภรรษาหรือบทไม่มีกําหนดแบบนี้นะก็ก็ควรจะท่องให้ได้อส่วนโยมเองอาจจะไม่จําเป็นนะเขาก็ไม่ได้ เราไม่ได้ไปจำเป็นต้องไปใช้แต่พระบางทีพอพรรษามากขึ้นบางทีก็ก็ต้องใช้นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะเหมือนเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งเด้ลเครื่องอยู่ตัวนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นแค่ไม่ใช่เป็นแค่รูปแบบหรอกถ้าเราเข้าใจหลักจริตมันก็ได้ได้วินัยนะได้ความขยันได้สมาธินะหรือได้สติได้ปัญญาอย่างที่ว่ามานะ จากการสวดมนต์มันก็จะช่วยเสริมเราไปบ่อยๆนี่ก็พยายามฝึกกันนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่าเรื่องการปฏิบัตินะมันก็เราก็ทำในรูปแบบก็พูดไปด้วยเลยเนาะไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิก็ดีเราจ ะ, จะเจริมสติก็ดีนะหัวใจในการปฏิบัติจริงๆนะ ถ้าเราจะทำเพื่อการพักผ่อนก็คือว่านะอารมณ์อารมณ์ปฏิบัติหนึ่งอย่างจิตใจก็แนบหรือว่าอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างเดียวนะี่นะี่จิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเดียวกันเนะี่ยมันจะได้สมาธิได้ความสงบถ้าเราต้องการทำแบบสงบทำแบบพักผ่อนนะอารมณ์นะอันเดียวนะี่จิตอันเดียวนี่ ให้อยู่ด้วยกันเหมือนมัดกันไว้เลยหนะึ่งแต่ถ้าเราจ ะ, จะเจริญสติเนี่ยนะให้มีตัวผู้รู้นะจเจิญสติเพื่อให้เกิดวิปัสสนานะให้มีผู้รู้นะให้มีตัวรู้อารมณ์อารมณ์ของกายก็ดีอารมณ์ของใจก็ดีนะนะอะไรก็ได้นะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะแต่ให้มีนมีสองสวรรค์คือ ตัวที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะร้อยแปดพันเก้าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่สิ่งขอากัรให้มีผู้รู้นะมีผู้ดูนะเห็นอาการต่างๆนะมันเกิดดับมันเปลี่ยนไปนะีมันบังคับไม่ไดนะ้นี่คือเราก็ดูแบบนี้นีน่คือดักนะของสมถะแล้วก็ดักของวิปัสสนา หลักของสมถะคืออารมณ์หนึ่งอารมณ์อย่างเดียวนะจิตอย่างเดียวจดจอ่อแนบแน่นนะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าวิปัสสนานะให้มีผู้รู้นะแล้วก็ดูนะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอะไรก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นมาเราเพียงแค่เป็นผู้เห็นเห็นเฉยๆเห็นด้วยใจที่ตั้งมั่นอันนี้เราก็ แล้วก็ดูแบบเนี้ยดูเนยไม่ต้องไปห้ามเอารมไม่ต้องไปห้ามความคิดนะบางทีมีความกลัวเกิดขึ้นมาแล้วก็เอ้เราก็เห็นมันเอดูอืมเนี้ยคือหรือเราก็หรือเราจะใช้รูปแบบเราเป็นตัวช่วยก็ได้นะรูปแบบเช่นพอเราพลิกมือปุ๊บเน่ะมันก็กลับมารู้สึกตัวแล้วความคิดความกลั ว, วก็ววาหายไป หรือเรากลับมาเห็นร่างกายหายใจนะเออ ม, มันก็เป็นเครื่องอยู่ทำให้ความคิดมันดับไปได้เหมือนกันนะเนี่ยเราก็ทำอ่งนันนะบ่อยๆนะแต่ก่อนเนะี่ยพอไปอยู่ฝ่าช้าไปนะบางทีก็เกิดความกลัวขึ้นมานะและ้วก็พอกลับมารู้สึกตัวปุ๊บนะก็เห็นเนะี่ยอ้อความกลัวนะั้นมันแบบตอนที่ตอนมันคิดนะมันก็กลัว พอกลับมารู้สึกตัวนะมันก็หายกลัวนะมันสับดับเลยนะเราไม่ต้องไปแบบพยายามข้ามความคิดเลยพอกลับมารู้สึกตัวปุ๊บมันก็มันก็ดับไปมันเหมือนสัดับไปสัดับมานะจะเห็นในโอ้พี่จริงคนมาอยู่ป่าช้าแล้วแล้วเขาอยู่ไม่ได้นะเพราะอะไรเขาไม่รู้ทันความคิดตัวเองพอจิตมันปรุงไปคิดเนะี่ยมันก็กลายเป็น เกิดความกลัวขึ้นในใจนะจะเห็นจริงไม่เห็นจริงไม่รู้แต่จิตมันปรุงขึ้นในใจเนะี่ยมันทําให้เกิดความกลัวต่างๆอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือมันก็เป็นเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่ของของพระที่ทุ่งโดมนะเ <c oughs> ออก็เป็นเครื่องอยู่ในการสวดมนต์ก็ดีนะในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดี หรือการที่เราปฏิบัตินอกรูปแบบนะในการที่เดินทางก็ดีนะก็ก็มันให้มันประกอบกันไปทุกๆุกอย่างนะถือว่าทุกอย่างก็เป็นเป็นสิ่งที่มันก็จะเสริมกันไปเองครับบางทีเราก็ไม่ได้ไปกำหนด ก, กฎเกณฑ์ว่ามันจะต้องได้อะไรต้องรู้อะไรหรอกนะแต่เราก็ทำไป แบบนี้เรื่อยๆให้เป็นกิจวัตรมันก็จะทำให้เราค่อยๆเห็นผลเองว่าเออมันเกิดผลดีอย่างไรกับตัวเราเองยู่นี้เนาะ ก, ก็ฝากไว้ครับ